พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่34จุลโคปาลสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับหนาริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้นคร อ, อุ ก, กะเวลาแขวนวัชีตรัดเล่าเรื่องคนเลี้ยงโคชาวมคตผู้ไม่ฉลาดไม่พิจารณาฝั่งนี้ฝั่งโน้นของแม่น้ำคงคา พาโค ข, ข้ามผิดท่าน้ําทางฝั่งด้านเหนือของแคววิเทหะในฤดูศาสท้ายพรรษาโขทั้งหลายก็ว่ายเวียนในกระแสน้ําจมน้ําตายกลางแม่น้ําคงคาเทียบด้วยสมณะพราหมณ์ผู้ไม่ฉลาดในเรื่องต่างๆคือโลกนี้โลกหน้าบ่วงมานไม่ใช่บ่วงมานบ่วงมจุราชไม่ใช่บ่วงมจุราชพลอยให้คนที่เชื่อฟัง ราษฎรประโยชน์ได้รับความทุกข์ไปด้วยตลอดกาลนานครั้นแล้วทรงแสดงถึงคนเลี้ยงโคชาวมาคตผู้ฉลาดให้โคผู้ที่เป็นพ่อโคเป็นผู้นําฝูงข้ามน้ําก่อนแล้วจึงให้โคที่มีกําลังโคฝึกลูกโคตัวผู้ตัวเมียและลูกโคที่อ่อนกําลังข้ามตามไปตรัสว่า แม่ลูกโคที่คลอดในขณะนั้นก็ว่ายน้ำตามแม่โคตัดกระแสน้ำไปได้สมณะพรามผู้ฉลาดก็ฉันนั้นทำให้คนที่เชื่อฟังได้รับประโยชน์ความสุขไปด้วยตลอดกาลนานทรงเปรียบโคผู้พ่อโคผู้นาฝูงด้วยพระอรหันต์ขี่นาศพที่ตัดกระแสของมารข้ามไปได้เปรียบโคมีกาลัง โคฝึกด้วยพระอนาคามียผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้เปรียบลูกโคผู้โคเมียด้วยพระสกะทาคามีเปรียบลูกโคอ่อนกําลังด้วยพระโสดาบันเปรียบโคที่เกิดในขณะนั้นด้วยผู้ตั้งอยู่ในมัชที่เรียกว่าธรรมานุสารีแปลว่าผู้แล่นไปตามธรรมะและสัทธานุสารี คือผู้แล่นไปตามศรัทธาสำหรับคำว่าผู้ตั้งอยู่ในมรรคในข้อนี้คือท่านผู้กําลังทาหน้าที่ละกิเลส ด, ด้วยมรรคยังไม่เป็นพระโสดาบันหรือผู้ตั้งอยู่ในผลโดยสมบูรณ์นับเป็นก้าวแรกของพระอริยบุคคล